วันนี้เป็นวันเสาร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานทงต่างจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามา เรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นได้มอบอะไรไว้ให้กับพวกเราพระพุทธเจ้าได้มอบมรดกอันล้ำค่าให้แ ก, พก่พวกเราพวกเรานนี้เป็นเหมือนทายาท เป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าที่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกอันล้ำค่าที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะมีคุณค่าเท่ากับมรดกอันล้ำค่านี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมอบมรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้น จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้กับพวกเราได้มีแต่มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วก็ส่งมอบให้กับพวกเราเป็นบรดกเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันการประสบกับสิ่งที่ไม่ปราถนานี่คือความทุกข์ที่พวกเราทุกคนจะต้องพบจะต้องเจอกันถ้ามาเกิดแล้วก็หนีไม่พ้นจากความทุกข์เหล่านี้ และก็จะไม่มีวันที่จะหนีออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบคือในการมาพบในรูประพบและอรูประพบได้ <c oughs> ถ้าไม่มีมรดกอันนํำค่าของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือที่จะ พาให้พวกเราได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือความรู้ที่พวกเราจะได้รับรู้กันถ้าเราเข้าหาพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก หรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้รับมรดกอันล้ำค่านี้แล้วผู้ที่สามารถที่จะสอนที่จะบอกวิธีให้พวกเราได้รับมรดกอันล้ำค่านี้ได้นี่แหละคือเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่รู้มาก่อน ว่าเราเป็นลูกของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของไตพภ์เลยไม่ใช่ลูกเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยหรือของโลกนี้ยิ่งใหญ่กว่ามหาเศรษฐีที่มีอยู่ในไตพภ์เลยไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีของกามภพของรูปภพหรืออรูปภพก็สู้มหาเศรษฐี ในลำดับอันดับของพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้านี่เป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของใจพบที่ร่ำรวยที่สุดของใจพบที่สามารถซื้ออิสรภาพให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังติดคุกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่พระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้มาถ่ายบาป หรือถ่ายถ อ, ถอนความทุกข์ต่างๆที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะช่วยถ่ายโทษจะช่วยปลดแอกให้กับพวกเราที่ตอนนี้พวกเราเป็นเหมือนทาตของกิเลสตัณหาผู้ที่คอยสั่งให้พวกเรารับใช้ทาอะไรต่างๆนาน า, นาด้วยความทุกข์ยากลำบาก อย่างที่พวกเราประสบกันอยู่ในทุกวันนี้พวกเรานี้เจอความทุกข์ยากลำบากต่างๆความทุกข์ทรมานใจต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆความหวาดกลัวต่างๆนี่แหละคือผลที่เรามาเป็นธาตุของกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้จะมาถ่ายโทษให้กับพวกเราจะมาซื้ออิสระภาพให้กับพวกเราให้พวกเราได้เป็นอิสระเป็นผู้ที่ไม่มีเจ้านายมาคอยสั่งมาคอยบังคับให้ไปทําอะไรต่างๆนี่แหละคือ พระพุทธเจ้าของพวกเราและมรดกที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราพวกเราถ้าเราไม่ได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมพวกเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของไตรภคไม่ใช่ของของโลกหรือของประเทศไทยแต่ของไตรภค ในใต้ยพนี้มีโลกอย่างมนุษย์ที่เราอยู่กันนี้มากมายเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะติดต่อกับเขาได้เท่านั้นเองเราก็อาจจะคิดว่าเราเป็นโลกเดียวในจักรวาลที่มีมนุษย์อย่างพวกเราอยู่กันแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีมากมายกว่าหนึ่งโลกที่เราอยู่กันนี้ แล้วคิดดูสอว่าใครจะมาร่ำรวยอย่างพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าซื้ออิสระภาพให้กับสัตว์โลกได้ทั้งหมดเลยสัตว์โลกมีกี่แสนล้านตัวที่เวียนว่ายตายเกิดในตายพบถ้าต้องการที่จะได้อิสระภาพก็ไปรับมรดกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ถ้าได้รับมรดกแล้วก็สามารถเอามราดกนีมาถ่ายโทษมาตดแอกมาซื้ออิสรภาพให้กับพวกเราได้นี่แหละคือความวิเศษความยิ่งใหญ่อันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าและของมรดกของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะไม่มีวันรู้กัน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่เข้าศึกษาไม่เรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะเป็นเหมือนไก่ที่ได้เพชรได้พลอยนี่เองมีนิทานเล่าว่าไก่นี้เวลาเขาหากินเขาจะคดคุยเขีย่ยหาตัวไส้เดือน หาตัวนอนมาเป็นอาหารแต่เวลาที่เขาไปกุ้ยเขี่ยเจอเพชรเจอพลอยเขาจะเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไปเพราะเขากินไม่ได้กินเพชรกินพลอยไม่ได้เขากินได้แต่ตัวนอนตัวไส้เดือนแต่ถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาเอาเพชรเอาพลอยที่เขาได้พบนี้ไปขายไปแลกเปลี่ยน เขาจะได้ตัวหนอนตัวไส้เดือนกินทั้งชาติเลยไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยมาคุยเขียหาตัวไส้เหนือไส้ไส้เดือนตัวหนอนอยู่ทุกวันทุกเวลาดีเป็นเพราะว่าเขาโงา่เขาไม่ฉลาดเขาขาดความรู้นั่นเองขาดปัญญาพวกที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่สนใจไม่เข้าหา ไม่ศึกษาก็เป็นเหมือนกับไก่ที่ได้เพชรได้พลอยนี่แหละเขาได้พบกับเพชรอันน้ำค่าที่เราเรียกว่าพาระรัตะนไตรพระรัตะนไตรรัะตะนะก็คือเพชรอัญญมณีที่น้ำค่าไตรแปลว่าสามพระพุทธศาสนามีเพชรอันน้ำค่าอยู่สามเม็ดด้วยกัน เม็ดที่หนึ่งเราเรียกว่าพุทธรัตตน ะ, ะคือพระพุทธเจ้าเป็นเพชรเม็ดเม็ดล้ำค่าอัานเม็ดที่หนึ่งเพชรล้าค่าเม็ดที่สองก็คือธรรมรัตน ะ, ะพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกจดจําไว้ในพระไตรปิฎกและสาม พะอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าคือพะสังคลัตะณะเป็นเม็ดเป็นเพชรเม็ดที่สามที่สามารถที่จะเอาไปถ่ายโทษไปปลดแอกไปซื้ออิสรภาพให้แก่สัตว์โลกทั้งหมดที่มีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไตยพุ ให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าสนใจถ้าปรารถนาที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่สนใจไม่ยินดีก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้การที่จะได้รับมรดกการที่จะได้ซื้อ อ, อิสระภาพ จากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ผู้ที่เป็นทาตต้องรู้สถานภาพของตนก่อนต้องรู้ว่าตนเองกำลังเป็นทาตเอยู่กำลังอยู่ภายใต้อานาจของเจ้านายอันโหดเหี้ยมทารุณคือกิเลสตัณหาตัวที่คอยอยุยงตัวที่คอยสั่งคอยบังคับให้ไปหาความทุกข์ต่างๆมาให้ นี่แหละคือสถานภาพของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังเวียนว่าตายเกิดอยู่ในตายภพนานๆเราจะเจอคนใจดีอย่างพระพุทธเจ้าเจอคนที่เป็นมหาเศรษฐีของตายภพนี้มาเสนอความช่วยเหลือให้กับพวกเราเสนอ การเป็นอิสระภาพให้กับพวกเราถ้าพวกเราไม่รู้ว่าเราเป็นทาตเราก็อาจจะไม่สนใจก็ไนดนะ้เราจะรู้ได้ว่าเราเป็นทาตก็ต่อเมื่อเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าหาพระศาสนาพระพุทธศาสนาเท่านั้นเราถึงจะรู้ว่า พวกเรานี้ไม่ได้เป็นเจ้านายใหญ่โตอย่างที่เราคิดกันความจริงพวกเราเป็นทาสแต่ความหลงของพวกเรานี้ทำให้เราคิดว่าเราเป็นเจ้านายเป็นผู้มีอิสระภาพสามารถไปไหนมาไหนทำอะไรได้ตามความต้องการของพวกเราแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆแล้ว เราก็จะเห็นว่าอิสรภาพของพวกเหล่านี้เป็นเหมือนอิสรภาพของคนที่ติดอยู่ในคุกในตารางนั่นเองในคุกในตารางเขาก็มีอิสรภาพให้นักโทษเหมือนกันเขามีเวลาปล่อยให้นักโทษออกมาออกกําลังกายออกม า, าทํางานมาทําอะไรต่างๆมาพบญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมอ ออกจากกรงมาแต่ยังอยู่ในคุกตารางอยู่ยังอยู่ในกำแพงสี่ด้านด้วยกัน<ม>พวกเราก็เป็นเหมือนกับพวกที่ติดคุกติดตารางนี้เองถึงแม้ว่าเราจะมีอิสรภาพไปไหนมาไหนได้อย่างที่เรามีอยู่กันในปัจจุบันนี้แต่เราก็ยังอยู่ในเป็นอิสรภาพอยู่ในในคุกในตารางนี้ เพราะว่าเรามีคุกตารางที่มีกำแพงสี่ด้านกั้นพวกเราไว้อยู่ไม่ให้พวกเราหลุดออกจากคุกตารางอันสี่ด้านนี้ได้คุกตารางสี่ด้านนี้คืออะไรด้านหนึ่งก็เรียกว่าเกิดด้านที่สองก็เรียกว่าแก่ด้านที่สามก็เรียกว่าเจ็บด้านที่สี่ก็เรียกว่าตายนี่แหละคือคุกตาราง ที่พวกเราไม่สามารถที่จะหลุดออกจากคุกตารางอันนี้ไปได้เราต้องเจ อ, เอกำแพงทั้งสี่ด้านนี้ไม่ว่าเราจะพยายามที่จะหนีออกไปอย่างไรเราก็หนีออกไปไม่ได้เราอยู่เราต้องเจอการเกิดต้องเจอการแก่ต้องเจอการเจ็บ แล้วต้องเจอการตายด้วยกันทุกคนตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกมาแก่มาเจ็บมาตายอีกงั้เราอาจจะคิดว่าเราพอตายไปเราจะเป็นอิสระภาพเราไม่มีเราไม่ได้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกอันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดเองเราอาจจะคิดว่าร่างกายของเราตายแล้วก็จบะ ใครจะมาเกิดใหม่ไม่มีใครเกิดแล้วเมื่อร่างกายนี้ตายไปเอที่มาเกิดก็เป็นคนละคนกันเอแต่ความจริงเป็นคนคนเดียวกันที่มาเกิดเพียงแต่ใส่หัวขนไม่เหมือนกันใส่หน้ากากมาไม่เหมือนกันทั้นเองร่างกายนี้เป็นเหมือนหน้ากากหรือเป็นตัวขนที่พวกเราเอามาสวมใส่กันตัวละครชุดละคร เวลาเล่นละครก็มีชุดชุดใช่ไหมชุดของพระเจ้าแผ่นดินชุดของพระรา ช, น ช, นชนินีชุดของนายพลชุดของนายพันชุดของเศรษฐีชุดของขอทานมีชุดต่างๆให้พวกนักแสดงละครมาสวมใส่กันพวกเรานี่แหละเป็นเหมือนกับพวกนักแสดงละครเวลาเรามาเกิดนี่เราก็ได้รับ เครื่องแบบหรือชุดละครมาสวมใส่กันบางทีเราก็ได้ชุดพระเจ้าแผ่นดินบางทีเราก็ได้ชุดขอทานบางทีเราก็ได้ชุดคนดีบางทีเราก็ได้ชุดคนไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของผู้กํากับผู้เขียนบทให้พวกเรามารับบทต่างๆกันผู้ที่เขียนบทนี้คือใคร ก็คือบุญกรรมนี่เองที่เราทำกันบุญบาปที่เราทานี่แหละคือผู้เขียนบทกรรมเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดเห็นไหมกรรมนี่แหละเป็นผู้ให้กาเนิดพวกเราเป็นผู้เขียนบทให้กับพวกเราให้เรามาเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีเกิดชั่วเกิดรวยเกิดจนเนะี่ยอันนี้แหละแต่ให้เรามา เล่นละครในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายนพวกเราจะมาเล่นบทไหนก็เหมือนกันเหมือนกันตรงที่ต้องจากเกิดก็ไปสู่การแก่การเจ็บการตายเหมือนกันระหว่างทางเราก็เล่นบทต่างๆของเราไปกันเล่นบทเศรษฐีเล่นบทขอทานเล่นบทพระเจ้าแผ่นดิน เล่นแบบสามัญชนเล่นแบบนายกรัฐมนตรีเล่นแบบไรสุดแท้แต่จะเล่นกันจะเล่นกันอย่างไรมันก็ต้องเล่นอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วพอตายจากตารางอันนี้ก็กลับมาเกิดในตารางอันเก่านี้อีกแล้วก็มาเล่นบทบาทใหม่อีกแล้วแต่ว่า บ, บุญบาปที่เราทำไว้นั้นเขียนให้เรามาเล่นอะไรกันใหม่นั่นเอง น, นี่นหละคือความจริงของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันเพราะเราคิดว่าพวกเราคิดว่าเราคือร่างกายกันเราคิดว่าร่างกายนี้ตอนนี้เรามีร่างกายเรามีอิสระภาพเราอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนทำได้ทุกอย่าง เรามีอำนาจเราสั่งคนนั้นสั่งคนนี้ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้เราคิดว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตกันแต่ความจริงเราก็เป็นใหญ่เป็นโตในคุกในตารางเท่านั้นเองไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างพระพุทธเจ้าเป็นไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างพระอริยสงสากเปกันพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้ ท่านเป็นใหญ่เป็นโตนอกคุกนอกตารางแห่งของการเกิดแก่เจ็บตายเนะพราะท่านมีเครื่องมือหรือมีธรรมันวิเศษที่เรียกว่าโลกุตระธรรมซึ่งเปียบเป็นเหมือนบันไดที่ให้พวกเราปีนออกจากกําแพงของเกิดแก่เจ็บตายนี่เองนะนะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบบันได ที่พาให้พระพุทธเจ้าปีนออกจากกำแพงออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายได้เนี่ยบันไดอันนี้ที่เราท่านเรียกว่าโลกุตตะธรรมหรือมรรคผลนิพพานนี่แหละเป็นบันไดที่จะพาให้เราออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายได้ และหลังจากที่ท่านออกไปแล้วท่านก็ทิ้งบันไดไว้ให้กับพวกเราะท่านไม่เอาบันไดไปด้วยเพราะท่านไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้บันไดปีนข้ามกําแพงแล้วพวกเรานี่แหละเป็นผู้ที่ต้องอาศัยบันไดเราถึงจะสามารถปีนข้ามบันไดของการเกิดแก่เจ็บตายได้และวิธีที่เราจะไปได้บันไดเราก็ต้องมาเจอพระพุทธศาสนา เมื่อเจอพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาต้องเชื่อความวิเศษของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานี้วิเศษเหนือกว่าความวิเศษทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ต้องมีความเชื่อต้องมีความสนใจอย่างน้อยก็ควรจะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่าทำไมถึงมีาศาสนานี้ขึ้นมา ศาสนานี้มีความดีอย่างไรมีความวิเศษอย่างไรจึงมีคนที่เข้าหากันถ้าเราไม่มีความสนใจเลยก็เป็นเหมือนไก่ได้พลอยนี่แหละไก่มันไม่สนใจกับเพชรกับพลอยเลยเพราะมันไม่มันรู้เพียงอย่างเดียวว่ากินไม่ได้มันต้องการแต่ตัวนอนตัวไส้เดือนเท่านั้น แต่พอเจอเพชรเจอพลอยมันก็เขียทิ้งไปหมดพวกเรานี้ถือว่าไม่ได้เป็นไก่ได้พลอยถ้าเป็นไก่ได้พลอยพวกเราคงไม่เข้ามาที่นี่ในวันนี้ไม่เข้ามาฟังเทศฟังธรรมไม่มาศึกษาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่มาปฏิบัติธรรมกันหรอกแต่พวกเรานี้เป็นพวกที่ฉลาดกว่าไก่ที่ได้พลอย กเราเป็นผู้ที่ฝ่รู้ฝ่ศึกษาเป็นผู้ที่อยากรู้อยากเห็นอยากทำความรู้จักทำความเข้าใจกับสิ่งที่แปลกแลกใหม่ๆว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรอันนี้แหละเป็นเหตุที่พาพวกท่านได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันพอได้เข้าหาแล้วเทนี้ก็จะได้หูตาสว่างขึ้นมา ได้เรียนรู้เรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกของไตพภ์นะแล้วก็นอกจากเป็นเศรษฐีแล้วหลังจากที่ท่านตายจากไปท่านยังทิ้งวรดกันน้าค่านี่ว่าให้กับพวกเราทุกคน ที่พวกเราสามารถที่จะเอามรดกอันล้าค่านี้มาซื้ออิสรภาพให้กับพวกเราได้พวกเราถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังธรรมพวกเราก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นพวกเราเป็นนักโทษกันเป็นทาสกันติดคุกในคุกของการเกิดแก่เจ็บตายกันแต่พอฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะรู้ว่าหลายอย่างที่เราไม่รู้ รู้ว่าเรานี้เป็นผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในไตภพอยู่เหล่านี้ไม่ใช่ร่างกายเราคือจิตใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ใช้ความคิดสั่งให้ร่างกายของพวกเราทำอะไรต่างๆผู้ที่ใช้ความรู้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ร่างกายรับเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองเนี่ยผู้นี้กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเนี่เราอยู่ที่ผู้รู้อยู่ที่ผู้คิดเนี่ยผู้คิดผู้รู้เป็นผู้คิดว่าเป็นเราเป็นของเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรมารับรองว่าเป็นความจริงเลย แต่พวกเราก็เหมาเชื่อกันเหมือนกับคนสมัยโบราณที่เหมาเชื่อกันว่าโลกนี้แบนใชไมไม่มีใครว่าโลกนี้กลมสมัยโบราณสมัยที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะคิดว่าโลกนี้แบนและโลกนี้เป็นศูนย์การศูนย์กลางของจักรวาลคือดวงดาวต่างๆนี่ หมุนรอบโลกของเราเนี่ยโลกของเรานี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของวงกลมและสิ่งต่างๆที่อยู่ในวงกลมก็จะหมุนรอบโลกของเรา่หลังจากที่มีคนที่สอดรู้สอดเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากพิสูจน์ก็ได้ค้นพบความจริงว่าโลกนี้มันไม่แบนเลยแล้วโลกนี้ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจั ก, กรวาลอย่างที่คิดกัน ดวงนี้กับเป็นหนึ่งในดวงดาวหลายหลายล้านดวงที่หมุนรอบอดวงอาทิตย์เนี่ยหมุนรอบสิ่งที่เป็นจุดศูนย์กลางของจั ก, กรวาลอีกทีหนึ่งอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ ถามตัวเองว่าไอ้นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ถึงเป็นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นต้องมีการสอบถามภายในใจของตนจึงจะสามารถได้ความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้ได้<ม>อันนี้ก็เหมือนกันการที่พวกเราเข้าหาพระพุทธศาสนานี้เราก็า จ, จะคิดว่าพระพุทธศาสนามีอะไรดี ทำไมเราจรึงต้องมาพเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมครําสอนพระอริยสงสาวรท่านเหม็นเป็นใครมีอะไรทําไมเราต้องมาหาท่านทําไมเราต้องถือท่านเป็นที่พึ่งเป็นศาละอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารู้จักคิดสักหน่อยมันก็จะกระตุ้นให้เราได้ค้นคว้าหาความจริง พอเราค้นคว้าห า, วาความจริงเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆที่เราไม่รู้มาก่อนและเรื่องที่เรารู้มาเราก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราเข้าใจผิดกันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตรงกับความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่าเราเป็นร่างกายกันนี้มันไม่ได้เป็นความเป็นจริงแต่อย่างใดเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิด ที่เรียกว่าจิตใจผู้ที่มาได้ร่างกายเป็นเหมือนอตัวโขนหรือตัวแสดงนี้เองเราได้ร่างกายมาแล้วเราก็ได้บทที่ติดมากับร่างกายให้เราแสดงเป็นบทต่างๆให้เราแสดงเป็นคนสูงคนต่ำให้เราเป็นคนรวยคนจน ให้เราเป็นคนดีคนชั่วคนง้อคนฉลาดนี่คือร่างกายเป็นเพียงตัวละครที่เรามารับบทเล่นบทนี้ตามผู้เขียนก็คือบุญหรือบาปที่เราได้ทำไว้ในโรงละครโรงก่อนคือชาติก่อนชาติก่อนตอนที่เราเกิดเป็นมนุษย์เราได้ทำบุญกันได้ทำบาปกัน แล้วบุญกับบาปที่เราได้ทำนี้มันก็เขียนบทให้เรามาเล่นต่อในโรงละครอันใหม่คือในโลกนี้ในภพนี้ชาตินี้พอเรามาเกิดเราก็เลยมาเล่นบทต่างๆกันทำไมเราไม่มาเล่นบทเหมือนกันทุกคนทำไมเราไม่เป็นเหมือนผลไม้ผลไม้ออกมาทุกลูกเหมือนกันหมดแต่คนมาเกิดแล้วทำไม จึงมีบุญบาทไม่เหมือนกันก็เพราะว่าผู้ที่กำหนดให้เรามาเกิดนั้นมีไม่เหมือนกันนั่นเองบุญบาปของพวกเราแต่ละคนมีไม่เหมือนกันวิธีทาบุญทาบาปก็ต่างกันไปจึงทำให้เรามาเป็นอะไรต่างๆกันในภพนิชาตินี้แต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เป็นช่วงขณะที่ร่างกายนี้มีชีวิตอยู่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปเปลี่ยนโรงละครโรงใหม่ไปเกิดแล้วก็ไปเล่นบทใหม่จนกว่าเราจะมาเจอผู้ที่เล่นเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอริยสงสาวกผู้ที่มีความสามารถพิเศษเหนือกว่า นักแสดงทั้งหมดในโลกนี้คือเป็นผู้รู้ว่าพวกเหล่านี้เป็นเพียงนักแสดงร่างกายนี้เป็นเพียงตัวแสดงหรือเป็นหัวโขนที่เราเอามาสวมใส่มาเล่นเป็นบทนั้นบทนี้กันเท่านั้นเองเราสามารถเลิกการมาเล่นละครเหล่านี้ได้ยุติการเล่นละครได้ ถ้าเรายุติผู้เขียนบทได้ถ้าเราห้ามไม่ให้ผู้เขียนบทเขียนบทให้เรามาเล่นเป็นอะไรต่างๆต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเล่นละครกันอีกต่อไปอันนี้คือความจริงของพวกเราที่พวกเราไม่รู้มาก่อนไม่รู้สถานภาพความเป็นจริงของพวกเราว่าพวกเรานี้กำลังเล่นนะครบทต่างๆ ในคุกในตารางของการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองถ้าพวกเราต้องการหยุดพวกเราต้องการอิสรภาพไม่ต้องถูกบังคับให้มาเล่นนครอย่างที่พวกเราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องพบกับพระพุทธศาสนาพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้า หรือพบกับพระพุทธเจ้าเองถ้าเราได้พบกับท่านทั้งสามนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อที่เราจะได้พัฒนาชีวิตจิตใ จ, จของพวกเราให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจของพวกเราเลย ให้พวกเราได้ไปสู่โลกุตละธรรมไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่แหละคือทําไมพวกเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าพวกเราอยากจะออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องเข้าหาโลกุตตะธรรมเข้าหาบันไดที่จะพาให้เราได้ออกจากกำแพงของการเกิดแก่เจ็บตายได้โลกุตตะธรรมก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นเหมือนขั้นบันไดมีอยู่สี่ขั้นที่จะพาให้เรา ก้าวข้ามกำแพงของการเกิดแก่เจ็บตายได้ก้าวออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในใตายพบคือในการมาพบในรู ป, ปรพบและอรู ป, ปรพบไดน้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันมาเรียนรู้วิธีที่เราจะได้บันได เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ข้ามกำแพงของการเกิดแก่เจ็บตายกันวิธีที่เราจะได้โลกุตละธรรมนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเราต้องเริ่มที่จุดที่เราอยู่กันในตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในภพของมนุษย์เราต้องอย่างน้อยรักษาสถานภาพของมนุษย์ไว้ให้ได้อย่าให้ตกต่ำไปกว่า น, นี้ ถ้าต่ำกว่ามนุษย์นี้จะยากต่อการที่เราจะเข้าหาโลกุกตลัธรรมได้นั่นเองฉะนั้นในเบื้องต้นท่านสอนให้เราปิดประตูอบายก่อนปิดทางเสื่อมของจิตใจของพวกเราก่อนจิตใจของพวกเราตอนนี้อยู่ในระดับของมนุษย์แต่มีระดับที่ต่ำกว่ามนุษย์นี้อยู่สี่ระดับด้วยกันคือเดราชฉานเปรตอสุลกายและนรกเนี่ย อันนี้เราต้องอย่าลดลงไปอย่าเสื่อมลงไปต้องห้ามพระพุทธเจ้าก็มีวิธีที่จะห้ามไม่ให้จิตของเราตกต่ำให้เสื่อมลงไปกว่าการเป็นมนุษย์ก็คือวิธีละการกระทำบาปทั้งปวง ส, งสอนให้พวกเราอย่าทำบาปทั้งปวงและอบายามุขผู้สนับสนุนในการทำบาป ในสื่อสิ่งแรกถ้าพวกเราอยากที่จะไปรับมรดกคือโลกุตตระธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก่อนก็คือเราต้องอย่าถอยหลังอย่าอย่าลดตําแหน่งอย่าลดสถานภาพของพวกเราที่ตอนนี้เป็นมนุษย์ให้ลงต่ํากว่าความเป็นมนุษย์ก็คืออย่าไปเป็นเดรัจฉานอย่าไปเป็นเปรต อย่าไปเป็นอสุรกายอย่าไปตกนรกวิธีไปเป็นเดรัจฉานี้ทำอย่างไรก็ทาบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปคือพวกที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการทําบาปเขาก็มักจะคิดว่าไม่เป็นบาปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องของการอยู่รอด ถ้าไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำบาปก็จะอยู่ไม่ได้ไม่ผิดกฎหมายกฎหมายเขาไม่เอาโทษเนี่ยเพราะถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นคนเราต้องครองชีพกันต้องมีต้องมีอาหารมีอะไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะได้อาหารมาผู้ที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยคิดว่าไม่เป็นบาปนี้ เป็นผู้ที่จะไปเป็นเดรัจฉานเพราะพวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็คิดแบบนี้กันพวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่แบบนี้กันเขาอยู่ด้วยการฆ่ากันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อสัตว์เล็กสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ามีกำลังมากกว่าก็กินสัตว์ที่มีที่เล็กกว่าเป็นอาหารอันนี้คือการทำให้จิตใจ ที่เป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้ตกต่ําไปเป็นเดรัจฉานก็เพราะว่าทําบาปด้วยความไม่รู้หรือไม่เชื่อว่ามีบาปมีผลบาปตามมาอันนี้เราต้องหยุดเราต้องเชื่อว่าบาปนี้มีจริงมีผลจริงทําแล้วจะดึงให้จิตใจของเราตกต่ําจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานถ้าเราทําบาปด้วยความจําเป็น ทำบาปเพราะเราต้องเลี้ยงชีพอย่าทาเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่นดีกว่ากินอาหารอย่างอื่นได้ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก็ได้กินผักกินอะไรก็ได้กินผักกินข้าวกินอะไรต่างๆกินพืชกินผลไม้ก็เลี้ยงชีพได้เหมือนกันถ้ากินแบบนี้กินแบบไม่ฆ่าสัตว์กินแบบไม่ทําบาป ก็ยังรักษาสถานภาคของความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้อยู่ น, ะ น, นี่คือวิธีที่ผู้ที่ทำบาปแล้วต้องไปเกิดเป็นเดราฉานก็เพราะทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นมีบาทมีโทษตามมานั่นเองมีผลตามมาเพราะคิดว่าตายแล้วก็ศูนย์ ร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปใครจะไปเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขก็ <c oughs> ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่เห็นผู้ที่ไปเกิดไม่เห็นผู้ที่ทาบาปที่ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับคำสั่งอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์นะฮะรถยนต์รับคำสั่งจากคนขับรถเวลาคนขับรถ ไปขับชนรถชนคนตายใครไปติดคุกอะรถยนต์เน้อคนขับคนขับนั่นแหละไปติดคุกรถยนต์เขาไม่จับไปติดคุกเพราะรถยนต์เป็นเพียงเครื่องมือฉันใดกดแห่งกรรมก็เหมือนกันเวลาร่างกายไปทําบาปนี้เขาไม่จับร่างกายไปนรกไม่ไปไม่ไปใ ห, ให้ไปเป็นเดรัจฉานเพราะไปไม่ได้ร่างกาย ร่างกายเดี๋ยวตายไปก็กลายเป็นดินน้ำหนมนไฟไปเท่านั้นแต่ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปเป็นเดรัจฉานต่อไปนะอันนี้ถ้าไม่เรียนรู้ก็จะไม่รู้ว่าทำบาปนี้มีผลตามมาก็จะไม่กลัวบาปก็จะทำบาปกันแล้วก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานกันโดยไม่รู้สึกตัวอันนี้คือ การไปเป็นเดลชานเป็นเพราะว่าทำบาปด้วยความไม่รู้หรือท ำ, ทำด้วยความหลงหลงคิดว่าบาปไม่มีไม่มีผู้ไปรับผลบาปร่างกายตายไปแล้วใครจะเป็นผู้ไปรับผลบาปก็เราไม่กลัวบาปทำบาปกันอย่างสบายอันพวกที่สองที่ไปไปสู่ที่ต่ำคือไปเป็นเปรต ก็ทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากมากอยากมีมากมากอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆวิธีที่ได้จะได้อะไรง่ายๆมากๆเร็วๆก็ทาต้องทำแบบวิธีทำบาปเนียทำงานนี้กว่าจะได้เงินเดือนแต่ละเดือนนี้สามสิบวันมันผ่านไปช้าเหลือเกินกว่าเงินเดือนจะออกไปปล้นธนาคารไปลักข้าวของเงินทองของคนอื่น แป๊บเดียวได้มาเยอะกว่านเอันนี้พวกที่อยากจะได้ทาอยากจะได้ด้วยความโลภก็จะทำบาปแล้วตายไปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตที่มีแต่ความหิวโหวยเพราะว่าความโลภนี้จะผลิตความหิวโหวยให้กับดวงวิญญาณได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเนี่ยอันนี้คือ การไปสู่ที่ต่าด้วยการทำบาปเพราะความโลภถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ก็กำจัดมันก่อนฆ่ามันก่อนทำลายมันก่อนก่อนที่จะให้มันมาทำอันตรายกับเราเราก็เลยทำร้ายเขาก่อนอันนี้ก็เรียกว่าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว ด้วยความหวาดกลัว <c oughs> เรียกว่าเอาส่ร่ากายแล้วพวกที่ทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความจองเวนจองกรรมฟันต่อฟันตาต่อตาใครมาทําร้ายเราทําละทําให้เราเสียหายเราต้องล้างแค้นพวกนี้ทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทดวงวิญญาณก็จะเป็นนรกะ คือร้อนด้วยความอาคาตพยาบาทนี่เอ ง, เองนี่คือการทำบาปสี่ลักษณะด้วยกันทำเพราะรักทำเพราะชังทำเพราะกลัวหรือทำเพราะหลงจึงทำให้ไปเป็นอบายเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในอบายสี่ชนิดด้วยกันพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะไปออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในเบื้องต้นนี้ต้องหยุดการกระทำบาปก่อนอย่าลดฐานะให้ต่ำกว่ามนุษย์เพราะจะไม่สามารถที่จะ <c oughs> ขึ้นสู่ระดับของโล ก, กุตละธรรมได้นั่นเองนะถ้าไปติดอยนาบายแล้วก็ไม่มีวันที่จะหลุดไม่มีวันที่จะไปสู่โล ก, กุตละธรรมได้ต้องรอให้พ้นจากอบายออกมาก่อนให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อน ถึงจะสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงต่อไปได้ดังนั้นเบื้องต้นขอให้พวกเราปิดประตูบ่ายกันอย่าทำบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดและอย่าเสพอบายมุขคือสุรายาเมาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเตรอย่าเกียจค้านอย่าคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเนี่ย เพราะอบายามุกนี้จะทําให้เราไม่ช้าก็เร็วจะบ้องไปทําบาปต่อไปเพราะอบายามุกมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้พอมีแต่รายจ่ายต่อไปเงินทองก็ไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้ก็ต้องไปทําบาปเพราะเป็นวิธีที่หาง่ายหาได้เร็วได้หาได้ง่ายนั่นเองนนี่คือ ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งของการที่เราจะไปรับมรดกอันล่ำค่าของพระพุทธเจ้าเราต้องปิดปตายอบายปิดประตูอบายให้ได้คือละเว้นการกระทำบาปด้วยการรักษาศีนหน้าให้บริสุทธิ์พอเรารักษาศีนหน้าได้แล้วปิดประตูอบายได้แล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นสู่ภพที่สูงกว่าภพที่เราอยู่กันในตอนนี้ คือพบของเทพของเทวดานี่เองวิธีที่จะยกระดับจิตของมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่พบของเทพของเทวดาก็คือต้องทำบุญทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมนั่นเองต้องทบทหยพยายามทำบุญให้มากๆทำให้เต็มที่การทำบุญก็ทำได้หลายวิธีด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยเงินทองอย่างเดียว ทำด้วยกายก็ได้ทำด้วยวาจาก็ได้ถ้าไม่มีเงินทองที่จะทําทก็ทําด้วยวาจาเช่นให้ความรู้แก่ผู้อื่นสอนวิธีทํากับข้าวสอนวิธีเย็บปักถักร้อยสอนวิธีาทาสีสอนวิธีก่ออิฐก่อปูนมีวิอะไรต่างๆเป็นความรู้ที่เราสามารถสอนคนอื่นได้คนอื่นพอเขาได้เรียนรู้วิธีเขาก็จะ เอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปหาเงินหาทองได้ก็เหมือนกับให้เงินทองเขาโดยทางอ้อม น, นั่นเองเพียงแต่เราไม่มีเงินทองให้เขาเราก็บอกวิธีหาเงินทองให้เขาพอเขาไปรู้จักวิธีหาเงินทองเขาก็ไปหาเงินทองเองได้อันนี้ก็เป็นการทำบุญในลักษณะต่างๆทำบุญด้วยเงินทองก็ได้ทำบุญด้วยวาจาคำพูดของเรา ก็ได้หรือทำบุญด้วยกำลังกายของเราก็ได้ไปทำงานโดยที่ไม่รับเงินเดือนตอบแทนเป็นอาสาสมัครไปช่วยงานต่างๆ ที่เวลาที่มีงานสาธารณะกุศลเกิดขึ้นก็ไปน่่มงานกันที่วัดเจ็นเวลาวัดมีงานก็ไปช่วยกันที่ไหนมีงานเราก็ไปช่วยกันหรือที่ไหนมีความทุกข์ยากเดือดร้อนก็ไปช่วยกันบรรเทาทุกข์เวลามีน้ำท่วมมีไฟไหมต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือกันเราก็ไปช่วย โดยใช้กําลังกายของเราถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะซื้อข้าวของต่างๆมาบรรเทาทุกข์เราก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยจัดข้าวจัดของช่วยจัดส่งของต่างๆไปสู่ผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นวิธีทําบุญทากุศลต่างๆแล้วทาได้ทุกแห่งทุกหนไม่ฉเฉพาะว่าจะต้องทํากับวัดทากับโรงเรียนทากับโงรงพยาบาล ทำกับคนแก่คนชราทำกับคนทุกข์ยากเดือดร้อนทำกับคนพิการอะไรต่างๆนี่ทำได้หมดนี่คือวิธีทำบุญทำกุศลต่างๆที่จะยกระดับจิตของพวกเราให้ขึ้นจากระดับของมนุษย์ไปสู่ระดับเทพือเทวดานะเพราะว่าการที่เราจะไปรับมรดก ค, คือโลกุตลธรธรมนี้ต้องผ่านระดับเหล่านี้ไปถึงจะไปถึง ระดับโกุตละธรรมนี้สูงกว่าระดับของมนุษย์สูงกว่าระดับของเทพสูงกว่าระดับของพรหมเราต้องผ่านระดับเหล่านี้ไปก่อนจากมนุษย์เราก็ต้องขึ้นไปสู่ระดับเทพด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมพอเราได้ขึ้นไปสู่ระดับเทพแล้วเราก็สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับพรหมต่อไปได้ระดับพรหมนี้เราก็ต้องมา เพิ่มศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดเพราะเราต้องออกจากกามาพบนั่นเองถ้าเรายังถือศีลห้าอยู่นี้เรายัางจะติดอยู่ในกามาพบยังจะติดอยู่ในพบของมนุษย์และพบของเทวดาถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่พบของพรหมนี่เราต้องหยุดการเสพกามก็เราก็ต้องมาถือศีลแปดเพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราเสพกามกันนั่นเอง ไม่ให้เราร่วมหลับนอนกันไม่ให้เราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยวิธีการต่างๆเช่จนจากการดื่มจากการรับประทานอาหารมากกว่าความต้องการของร่างกายหรือเสพรูปเสียงกลิ่นรสจากมหอรสอบบันเทิงต่างๆเสบรูปเสียงกลิ่นรสจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าผ่อนด้วยเครื่องสําอางเครื่องปรุงแต่งต่างๆและ เสบรูปเสียงเกฤดลดจากการนอนบนเตียงที่ใหญ่ที่มีฟูกหนาๆที่นอนแล้วมีความรู้สึกสุขสบายมากจนเกินไปนี่คือสิ่งที่ผู้ที่จะต้องการออกจากภพของเทวดาเพื่อขึ้นสู่ภพที่สูงกว่าคือภพของพรหมจําเป็นที่จะต้องมาถือศีลแปดกันถ้าถือศีลแปดก็ถือว่าเรากําลังเริ่มออกจากภพของ เทวดาแล้วแต่ยังไปไม่ถึงภพของพรหมเพียงแต่ออกจากภพของเทวดาจะเข้าสู่ภพของพรหมได้ต้องมาฝึกสติเพื่อทําใจให้สงบเพื่อทําใจให้เป็นฌานขั้นต่างๆเป็นสมาธิถึงจะสามารถเข้าสู่ระดับของพรหมได้เข้าสู่ภพของพรหมที่มีอยู่สอง พบด้วยกันคือรู ป, ประพบกับอรู ป, ประพบนีถ้าฝึกสติจนมีกําลังสามารถหยุดความคิดได้ให้เข้าสู่ฌานขั้นรูปปฌานได้ก็สามารถเข้าสู่รู ป, ประพรมเข้าสู่รู ป, ประพบได้ไม่เป็นพมที่มีรูปได้เรียกว่ารูปปฌรมเนีมีอยู่สี่ระดับมีอยู่สี่ชั้นด้วยกันตามลําดับของฌาน ชาญหนึ่งชาญสองชาญสามชาญสี่นี่แล้วพอได้ชาญสี่ก็สามารถที่จะก้าวขึ้นต่อไปสู่ระดับอรูปปัจานได้ก้าวเข้าสู่อรูปรภพบได้พบที่สามพบที่สูงสุดในพบในตายพบคืออรูปรภพบเป็นพบที่มีความสุขมากที่สุดละเอียดที่สุดก็คืออรูปรภพบเนี่ย ก็ต้องฝึกสติให้มากจนมีกำลังที่จะทำจิตให้สงบเข้าสู่ระดับของอรูปปะชาันได้พอได้รูปปภพหรืออรูปปภพแล้วทีนี้ก็พร้อมที่จะไปรับโล ก, กุตละธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้เป็นมรดกให้กับพวกเราเราต้องผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นไปก่อนถึงจะไปรับโล ก, กุตลธรรม คือมรรคสี่ผลสี่นิพานหนึ่งได้นะครับนั่มรรคสี่ผลสี่นิพานหนึ่งก็เป็นสี่ขั้นด้วยกันมรรคมีอยู่สี่เป็นคู่คู่เป็นสี่คู่มรรคผลนี่มาเป็นคู่กันมรรคกับผลนี่เป็นอย่างไรเปรียบเทียบมรรคก็เป็นเหมือนการเรียนหนังสือพอเรียนจบสอบได้ก็ได้ผลได้ผลการเรียนมาเวลาเรียนอนุบาลเวลาเรียนเรากําลังเจริญมรรค พอเราสอบผ่านได้ผลสอบว่าได้คะแนนดีได้ผลเราก็ได้ผลขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนการมรรคผลก็มีสี่ขั้นเหมือนเรียนหนังสือมีอยู่สี่ขั้นขั้นอนุบาลขั้นปถมขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาแต่ละขั้นต้องมีมรรคคือการเรียนการทําการบ้านแล้วก็การสอบพอสอบผ่านก็จะได้ผล อันนี้ก็เหมือนกันมรรคผลก็เป็นแบบนี้ในในทางปฏิบัติผู้ที่ได้รูปประชานหรือรูปประชานแล้วถ้าต้องการได้โลกุตลธรรมก็ต้องมาเรียนความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรูนี้เองคือเรียนอริยสัจ ส, สี่เรียนใจรักเรียนอนิจจังทุกขังอนาาัตตาถ้าเรียนรู้แล้วทำการบ้านได้สอบผ่านได้ ของแต่ละขั้นก็จะได้มรรคได้ผลของแต่ละขั้นช่วงที่กําลังเรียนไตรลักษณ์อยู่เรียนอริยสัจอยู่สี่อยู่นี่เรียกว่าเป็นขั้นของมรรคพอเรียนแล้วไปสอบผ่านได้บ่อยวางกิเลสตัณหาฆ่ากิเลสตัณหาได้ก็ได้ผลขึ้นมาก็จะเป็นเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมามรรคผลจึงเป็นของ กันต้องมีมรรคถึงจะได้ผลต้องเรียนอริยสัจสีของของขั้นของขั้นพระโสดาบันพ อ, อรู้อริยสัจสีของพระโสดาบันรู้ไตลักษณ์ของพระโสดาบันก็จะได้ผลของพระโสดาบันได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพอได้ขั้นของพระโสดาบันแล้วก็ไปเรียนขั้นของพระสกิทาคามีต่อก็เรียนอริยสัจสีเรียนไตลักษณ์เหมือนกันแต่เรียนของ ในระดับของพระสะกิดาคามีพอเรียนแล้วทำข้อสอบผ่านก็ได้บรรลุผลของพระสะกิดาคามีก็ไปเรียนขั้นที่สามต่อเรียนขั้นของพระอนาคามีก็เป็นอริยสัจสี่เป็นตายรักของพระอนาคามีเหมือนกันแล้วก็พอสอบผ่านก็ได้ผลคือพระได้เป็นพระอนาคามีขึ้นมา ถ้าได้พระโสดาบานันนี้ผลที่ได้รับคืออะไรคือหนึ่งปิดประตูาบายอย่างถาวรพระโสดาบันนี้จะไม่กลับไปเกิดในาบายอีกต่อไปแต่ยังกลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือของเทวดาอีกไม่มากกว่าเจ็ดภพเป็นอย่างมากเพราะยังมีกิเลสตัณหาที่คอยดึงให้กลับมาเกิดในกามภพอยู่แต่พอได้ไปเจริญมรรคของขั้นสกิิดาคามี ก็ทำให้กิเลสตัณหาที่คอยดึงจิตให้กลับมาเกิดในกรรมพธนี้อ่อนกำลังลงเบาบางลงแต่ยังไม่หมดก็จะทำให้กลับมาเกิดในกรรมพธหรือคือพธของมนุษย์หรือเทวดาอีกไม่เกินหนึ่งชาติเป็นอย่างมาก <c oughs> แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปในภพของเทวดาหรือภพของมนุษย์ถ้าไปขึ้นขั้นที่สามไปเรียนระดับขั้นที่สามขั้นของพระอนาคามีพอสอบผ่านขั้นพระอนาคามีก็จะหลุดออกจากการมาพบจะไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ภพของเทวดาอีกต่อไปแต่ยังไปติดอยู่ในภพของพรหมอยู่รูปพรหมรูปภพกับรูปภพ ที่จะต้องเรียนเรียนอีกขั้นหนึ่งต้องเจริญมากอีกขั้นหนึ่งขั้นของอรหัตตะมรคคือขั้นของพระอรหันต์ก็ต้องเรียนตายลักเรียน อ, อริยสัจสีของของพระอรหันต์ของขั้นของพระอรหันต์พอเรียนจบสอบผ่านปับ๊บก็ได้อรหัตผลได้เป็นพระอรหันต์พอได้เป็นพระอรหันต์ก็ออกจากตายพบได้อย่างท้าวอน พอออกจากตายพบก็เข้าไปนิพพานทันทีเพราะนิพพานเป็นที่ที่ที่ไปหลังจากออกจากตายภพนั้นเองเหมือนกับเราออกจากบ้านเราก็เข้าไปในรถยนต์ทันทีรถยนต์ก็พาเราไปไหนมาไหนได้ทันทีอันนี้ก็เหมือนกันพราจิตเราออกจากตายพบได้นิพพานก็รอเราอยู่ะ เราก็เข้าไปนิพพานทันทีเข้าไปสู่ความสุขที่เป็นปรมังสุขขังเป็นบรลมมะสุขเป็นความสุขที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความทุกข์ของทานเกิดแก่เจ็บตายเพราะผู้ที่ไปถึงนิพพานไม่ไปเกิดอีกแล้วนั่นเองไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบ ไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนสุสวรกายไม่ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ไปเกิดเป็นพรหมอาจจะไปอยู่ในนิพพานที่มีแต่ความสงบมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง ที่เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเขียนพินัยกรรมทิ้งไว้ให้กับพวกเราวันนี้พวกเรามามาหาทนายทนายก็เปิดพินัยกรรมแล้วอ่านพินัยกรรมให้พวกเราได้รับรู้ว่าพวกคุณมีอ่มามรผลนิพพานอ่าเป็นมรดกอันล้ำค่ารอพวกคุณอยู่ถ้าพวกคุณต้องการที่จะรับมรดกนี้ก็ต้องทําตามเงื่อนไ ข, ขของผู้ที่เขียนมรดกผู้ที่มอบมรดกคือพระพุทธเจ้า อุตจ้าบอกใครอยากจะได้มรดกได้มรรคผลนิพพานได้การดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องทำตามเงื่อนไขคือหนึ่งต้องละการกระทำบาปทั้งปวงสองต้องสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชำระจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เพื่อกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่เป็น ผู้ที่ดึงให้จิตใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้เองถ้าพวกเราทำตามเงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าได้ทรง เ, เขียนไว้ในพินัยกรรมได้พวกเราก็จะได้รับมรดกกัร น, นำคาคือได้มักผลนิพพานได้มากสีผลสีตามลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติจนไปถึงขั้นพระ น, นิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่แหละคือประโยชน์ที่พวกเรามามาได้รับกันจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติในยุคไหนสมัยไหนทมของพระุทธเจ้านี้เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยทำในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกับทมในสมัยที่มีอยู่ในสมัยนี้เป็นธรรมันเดียวกันถ้าปฏิบัติ ผลก็จะได้ผลอันเดียวกันคือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งอย่างแน่นอนจึงไม่ต้องนั่งเลสสงสัยถ้าอยากจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดรีบปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระพุทธเจ้าเถิดแล้วผลที่พระพุทธเจ้าจะมอบให้กับพวกเราคือมรรดกอันล้ำค่าที่พระพุทธเจ้าจะมอบให้กับพวกเราก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราอย่างแน่นอน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 เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกักปติอิทิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปา จันโทปนาราโสยธามนิโชติอราโสยธาสัพีติโยวิวาชันตุสะพารุโควินาสตุมาเตภวะตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลสาณิจจังมุธาปจายโน ยาตาโรธรรมวาทะติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามตอนนี้เปิดกว้างให้ถามได้ทุกคนแต่จะถามได้เฉพาะในช่วงนี้หลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่ มีการถามตอบดังนั้นใครอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook 225ยค่ะ YouTube 276ค่ะวิทยาออนไลน์ย1ค่ะผู้รับฟังบนข่าวหนึ่งสาค่ะรวมทั้งหมดห5 6ห้าสหกท่านค่ะ เชิญถ้ามีคําถามก็เชิญถามได้เลยคําถามจากทางยูทูบค่ะคุณปาริชาติวิ ญ, ญญาณที่เป็นสัมภเวสีจัดอยู่ในภพใดทําไมจึงต้องเป็นสัมภเวสีเจ้าคะเท่าที่เข้าใจคําว่าสัมภเวสีคือดวงวิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์ เป็นเดลฉานนี้ถือว่าเป็นสัมประเวสีเกิดเป็นดวงวิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนีนอยู่ถ้าไม่เข้าใจถ้าเข้าใจไม่ผิดนะถ้าผิดใครก็การนาแจ้งมาให้ทราบหรือช่วยค้นถามลองเสิร์ชในซัมในก o เกิลดูก็ได้ว่าแปลว่าอะไร แต่เท่าที่เคยจําได้เคยได้ยินมาว่าสัมประเวสีนี้คือดวงวิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในใต้พดเนี่ยคําถามจากคุณอนิจจังอนัตตาค่ะกราบนามสการค่ะลูกเห็นกายกับจิตนั้นเป็นคนละส่วนกันแต่จิตเห็นกายเพราะจิตไปรับรู้กายทําอะไรมาจากกิเลสของจิตหรือมีความอยากเสมอ ควรต้องพิจารณาให้เห็นไปถึงกุศลหรืออกุศลหรือไม่เจ้าคะควรให้เห็นว่าเวลาเกิดกิเลสเราจะหยุดมันได้อย่างไรการหยุดกิเลสนี่ก็คือกุศลนั่นเองการทำตามกิเลสก็เป็นอกุศลยิ่นเวลาดูอะไรให้ดูที่กิเลสเป็นหลักถ้าเกิดกิเลสแล้วต้องหยุดมันทันทีเพราะกิเลสมันเหมือนไฟใช่หไหมพอไฟลุกที่ไหนนี่เราต้องรีบดับมันทันที อย่าปล่อยให้มันลามเดี๋ยวมันไหม้บ้านเผาบ้านไปหมดทั้งหลังชันใดกิเลสตัณหานี่คือค่าศึกษตของจิตใจถ้าต้องการให้จิตใจสงบเย็นต้องคอยกำจัดกิเลสตัณหาการกำจัดกิเลสตัณหานี่แหละคือกุศลการทำตามกิเลสตัณหาคืออกุศลคำถามจากทางเฟซบุ๊ก ค, ค่ะจากคุณน้องนุชค่ะ หลังทำวัดเย็นนั่งภาวนาต่อโดยท่านจะเปิดธรรมมาให้ฟังระหว่างภาวนาเป็นแบบนี้ทุกวันพระโยมกำหนดพุทโธไม่กี่ครั้งรู้สึกลำคาญเสียงมากรู้สึกว่าเสียงดังมากจนโยมอยากเอามือมาปิดหูอยากเดิอนออกไปข้างนอกในขณะเดียวกันโยมรู้สึกว่ามีบางอย่างกดที่ศีรษะด้านขวาแต่โยม ไม่ได้ทำอย่างที่คิดพยายามรวมจิตอยู่ที่ท้องดูลมพร้อมบริกรรมพุทโธอยู่แบบนั้นจนครบเวลาอาการต่างๆหายไปตั้งแต่ตอนที่ยมรวมจิตได้สภาวะที่เกิดนั้นคืออะไรเจ้าคะก็ไม่รู้มันไม่เชื่อปะ่ะเราถามมันดูเลยเราก็ไม่รู้ที่เล่ามาเป็นยังไงสภาวะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ก็เลยฟังไม่ไม่เข้าใจ หนายลองมาอ่านใหมายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นก็หมายถึงอะไรเจ้าค่ะหมายถึงการต่อสู้ของเขากับการฟังธรรมหรืออะไรหรือเปล่าเอ่อเท่าที่หนูจับใจความได้ก็คือว่าหลังจากหลังจากที่นั่งภาวนาท่านท่านจะเปิดเทศสตให้ฟังเจ้าค่ะแล้วก็น่าจะตัวเขาเองน่าจะบริกรรมพุทโธไปแล้วเหมือนเสียงที่เทศสตน่าจะเสียงดังประมาณนี้เจ้าคะ่ะแล้วไงอะ แล้วก็เลยเหมือนอยากจะเอามือมาปิดหูแล้วก็เหมือนอยากจะเดินออกไปในออกออกจะไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์แล้วก็เลยแต่เขาอยู่แบบนั้นจนครบแล้วก็เอาจิตรวมอยู่ที่หน้าท้องดูลมแล้วก็บริกรรมพุทธโธไปจนจบเจ้าค่ขาแล้วถามอะไรนะคําถามก็คือเขาถามว่าสภาวะที่เกิดขึ้นคืออะไรเจ้าขาก็ก็มันเห็นชัดๆอยู่แล้วมันคืออะไรไม่รู้ว่าถามทำไม กสภาวะที่เราต่อสู้กับกับเหตุการณ์รอบตัวเรานะกับเสียงธรรมนะเราก็พยายามสู้กับมันความจริงการภาวนาอยากจะนั่งสมาธิต้องไปนั่งคนเดียวนั่งที่เงียบๆไม่มีเสียงรบกวนมันจะได้ไม่ต้องมาต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ แต่ที่เขาจัดให้ฟังธรรมก็เพราะว่าเป็นช่วงที่เขาต้องการให้เราเรียนธรรมะไม่ใช่เป็นช่วงให้เรานั่งสมาธิเข้าใจไหมแต่ถ้าเราตั้งใจฟังธรรมเราก็จะได้สมาธิเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอุดหูไม่นั่งมาต้องมาต่อสู้กันก็ฟังไปถ้าเป็นธรรมแท้ถ้าเป็นธรรมไม่แท้ก็อาจจะช่วยไม่ได้เพราะาฟังธรรมไม่แท้ฟังธรรมที่ ที่ไม่ถูกตามหลักธรรมมันฟังแล้วอาจจะกลายเป็นความลังเลยสงสัยอะไรขึ้นมาได้แทนที่จะกําจัดความสงสัยก็อาจจะทําให้เกิดความสงสัยแทนที่จะทําให้ใจสงบก็อาจจะทําให้ไม่สงบได้ถ้าฟังทำแบบนี้ไม่ได้ผลก็อย่าไปฟังมันไปนั่งสมาธิของเราคนเดียวดีกว่าแต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่เขาบังคับให้ทำก็ต้องก็ต้องทําไป เราก็เป็นการฝึกวินัยไปเป็นการฝึกอบังคับให้ทําในสิ่งที่ต้องทําไปแต่ถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิเราไม่อยากฟังธรรมเราก็รอเวลาเรากลับไปที่พักของเราแล้วก็ไปนั่งให้พอแต่เวลาเขาให้ฟังธรรมก็ควรจะฟังธรรมไม่ใช่ไปนั่งสมาสมาธิแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเราใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์เราก็ เข้าสมาธิได้เหมือนกันจิตก็สงบได้เหมือนกันเราต้องรู้การละเทศะรู้ว่าตอนนั้นเราควรจะทําอะไรได้มีการแสดงธรรมก็อยากไปพูดโทให้ตั้งใจฟังทำไปฟังแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ฟังแต่เสียงไปไม่ต้องคิดตามไม่ต้องนึกคิดตามก็ได้ถ้านึกคิดตามไม่ได้ก็ไม่ต้องนึกคิดตามไปให้ฟังแต่เสียงไปแล้ว ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณนิวค่ะหนูลำบากใจมากค่ะคือแม่อยากให้หนูคบหรือแต่งงานกับคนที่หนูไม่ได้รักเขามีเงินเขามาชอบหนูแม่เลยอยากให้หนูคบเขาคือบ้านหนูมีหนี้สินเศรษฐกิจไม่ดีแล้วแม่ไม่รู้จะทำยังไง ปัญหาคือหนูไม่ชอบเขาค่ะเขาเป็นคนต่างชาติแต่แม่อยากให้หนูคบเขาเพื่อครอบครัวจะได้มีเงินหนูควรตอบแทนบุญคุณแม่แต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักแบบนี้ดีไหมคะหรือถ้าหนูไม่ทำตามที่แม่บอกจะเป็นบาปหรือไม่คะ อ, อ๋อถ้าไม่ทำตามที่แม่บอกไม่บาปหรอกเพราะว่ามัน มันไม่ได้เป็นการกระทำบาปเนี่ยการไม่ทำตามที่แม่พูดอมันก็ไม่บาปเพียงอ่ะตาไม่ได้บุญเท่านั้นเองถ้าทำตามที่แม่ต้องการก็อาจจะถือว่าเป็นการทำบุญให้กับแม่ให้แม่ได้ปลดหนี้สินปลดอะไรต่างๆให้หมดไปก็คิดว่าเป็นการทดแทนบุญคุณเป็นการใช้หนี้ที่เราเป็นหนี้ของแม่มาที่เขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กจนโตอ ทีนี้แม่เขาลำบากเขาอยากจะให้เราเหมือนขายเราพูดง่ายๆเขาเลี้ยงเรามาเขาเหมือนเราเป็นต้นไม้เขาปลูกต้นทุเรียนมาที่ทุเรียนมันเริ่มออกดอกออกผลนะเขาก็ต้องเอาทุเรียนนี้ไปขายนี่เราก็เป็นเหมือนผลทุเรียนที่เขาจะเอาไปขายเราก็ต้องยอมนะก็ถ้าทำได้ก็ทำไป ก็คิดว่ามันเป็นการทดแทนบุญคุณทำให้แม่ให้แม่สุขให้แม่สบายก็ทำไปแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่เป็นบุญทนั้น่ออไปคำถามจากบนเขาค่ะถ้าทำอาชีพขายวายหรือแอลโกอฮอล์แล้วต้องเทสต์วายกับลูกค้าจะผิดศีลหรือไม่ครับก็ผิดเนะย ถ้าเดิมก็ผิดแต่มันผิดมากผิดน้อยอยู่ที่ดื่มมากดื่มน้อยนะเหมือนผ้าเนี่ยเวลามันขาดขาดลูนิดนึงกับขาดลูใหญ่ๆมันก็มันก็ขาดเหมือนกันแต่มันขาดมากขาดน้อยศีลก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าพอนะเวลาเราทำผิดศีลก็เหมือนเอาอะไรมาขีดเสื้อผ้าให้มันขาดนะถ้าทำผิดมากขีดมากมันก็ขาดมาก ถ้ามันขาดน้อยโดนน้ำเกี่ยวมันอาจจะนิดรูนิดเดียวแต่ทางที่ดีอย่าให้มันขาดดีกว่าเห็นทางที่ดีอย่าไปผิดศีลดีกว่าแต่ถ้าจำเป็นจริงๆยังต้องทำมาหากินอยู่ถ้าไม่มีงานนี้เราต้องไปรักขโมยทาบาปมากกว่านี้ก็ก็ทาบาปแบบน้อยไปก่อนดีกว่า ถ้าไม่ทำบาปได้ก็ดีที่สุดเปลี่ยนอาชีพได้ก็ดีที่สุดไม่ต้องชิมมันให้เขาจะคนอยากจะกินก็ให้มันชิ ม, มเองเราเป็นคนขายเท่นั้นเราไม่ชิมให้เขาใช่ไหมคำถามจากคุณดินค่ะกลับนมรสการพระอาจารย์ครับขอกลับเรียนถามว่าการทำบุญกับมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานเช่นหมาแมว อย่างไหนได้บุญมากกว่าครับมีคนบอกหลายคนว่าทำกับหมาแมวได้บุญเยอะกว่ากลับขอบพระคุณครับคือการทาบุญนี้เวลาทามันมีได้บุญสองแบบบางยานะแบบที่หนึ่งคือบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองนี่สมมติทาบุญร้อยบาทกับพระกับทาบุญร้อยบาทกับหมาเนี่ยบุญที่ได้จากการเสียสละนี้เหมือนกัน<ม>เท่ากันนะ แต่มีบุญอีกบุญที่จะได้รับจากการทำบุญกับหมากับพระคือบุญที่เราจะได้รับจากพระจากหมาคือสิ่งตอบแทนที่เราจะได้รับจากพระจากหมาไม่เหมือนกันทำบุญกับพระก็ได้ธรรมะพระก็จะสอนธรรมะให้เราทำบุญกับหมาก็หมาก็จะเ่าให้เราฟังเนี่ยมันต่างกันตรงนั้น ถ้าต้องการบุญที่จะได้รับจากคนที่เราทำบุญเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอย่างไหนถ้าเราชอบเสียงหมาเห่าก็ไปทำบุญกับหมาถ้าเราชอบธรรมะเราก็ไปทำบุญกับพระแล้วเสียงหมาเห่ากับเสียงธรรมะอันไหนเป็นประโยชน์มากกว่ากันเสียงธรรมะมันมีประโยชน์กว่าเป็นบุญมากกว่าเสียงหมาเหา่ายั้นการทาบุญมันมีสองได้ได้สองส่วน ส่วนที่เกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองของเรานี้เท่ากันไม่ว่าจะทำกับใครเสียทําบุญ ล, ล้อยบาทกับหมาทำบุญ ล, ล้อยบาทกับแพ้ก็ได้บุญเท่ากันแต่บุญที่จะได้จากพระจากหมาไม่เหมือนกันบุญที่ได้จากพระก็คือได้ธรรมะได้ฟังธรรมเป็นบุญอย่างหนึ่งบุญที่ได้จากหมาก็คือได้ฟังเสียงหมาเห่าเสียงหมาน้องอก็นี่แหละ่ะเลือกเอาว่าจะเอาบุญแบบไหน อันนี้เลือกได้ต่างกันไม่เหมือนกันคําถามจากคุณวรกิจค่ะกราบนกกามสกันพระคุณเจ้าครับกระผมนั่งสมาธิได้นานครั้งละประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเองครับกระผมคิดว่ามันน้อยไปจะให้นั่งได้นานๆจะทํายังไงครับนั่งมาได้ประมาณสองเดือนแล้วครับก็เวลามันจะลุกก็ต่อด้วยพุโทโธไปสิ ต่ได้เหมือนเติมน้ำมันอ่ะพอน้ำมันใกล้จะหมดยังอยากจะขับรถอยู่ก็ทํางานก็แวะเติมปั๊มน้ํามันเลยเติมน้ํามันแล้วก็ขับรถต่อได้สติลราหมดเไงเราถึงต้องลุกออกมานั่งไปแล้วพอสติหมดมันก็อยากจะลุกอยากจะคิดนะเราก็หยุดคิดหยุดอยากได้ด้วยการเติมพุโทโธเข้าไปแล้วก็เริ่มพุโทโธใหม่ พอพอจิตอยากจะลุกออกมาก็พุทโธพุทโธเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวมันก็นั่งต่อได้ยาวต่อไปได้ถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินพุทโธก่อนก็ได้แล้วพอเดินจนเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่ยังก็ยังถือว่าได้ทำสมาธิเพียงแต่เปลี่ยนอิริยาบถอยากท่านั่งมาเป็นท่าเดินไปก่อนพอเดินเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ต่อ คำถามจากคุณอนิจังอนัตตาค่ะกราบนมรสการขอโอกาสค่ะการมาฟังธรรมเพื่อให้รู้ก่อนเมื่อไปปฏิบัติเองถึงจะได้รู้จริงแต่ความรู้ที่เกิดจากความเพียร น, นั้นเป็นปัญญาที่เชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรเจ้าคะแต่มันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเจ้าคะ อ, อ๋อปัญญาที่ได้จากการปฏิบัตินี้จะรู้ได้ว่าจริงไม่จริงก็คือมันฆ่ากิเลสได้หรือไม่ได้ ถ้ากิเลสถ้าข่าความโลภความโกรธความหลงได้ก็เป็นปัญญาที่แท้จริงแล้วมันก็จะเป็นของจริงเป็นของเราไปตลอดเพราอเราข่ากิเลสตัวนี้ได้นั้นเราก็จะข่ามันได้ทุกครั้งเวลามันโผล่ขึ้นมาถ้าเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติค่ะคำถามจากคุณเจ้าป่าเจ้าป่ากราบเรียนพระอาจารย์ครับข้อที่หนึ่ง เวลาผมทําบุญแล้วผมจะอุทิศบุญให้หลวงพ่อทวดได้หรือไม่ครับไปอุทิศให้ท่านหรือไม่บุญท่านย่อยะกับพวกเราอุทิศพวกที่ก็ไม่มีบุญดีกว่าแต่อยากจะอุทิศให้ท่านก็ได้เหมือแบบ น, นเอาเงินขอเอาเงินที่เราได้จากขอทานเอาไปให้เศรษฐีก็จะไปทําอะไรออย่างมากเขาก็อนุโมทนาสาธุเอาไปให้พวกขอทานดีกว่า ทำบุญอุทิศนี้เพื่อให้พวกพวกเบลที่เป็นขอทานไม่ต้องไปอุทิศให้พวกเทวดาพวกพระอริยะเจ้าไม่ต้องอุทิศให้พระพุทธเจ้าพระอริยะสงสาวกหรอกนั่นเป็นพวกหมหาเศรษฐีบุญไปให้บุญกับพวกนี้เขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะว่ามันเขามีเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วไม่ได้ไปทำอะไรให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลง เชื่ อ, อไปทําให้กับคนที่ก็ไม่มีดีกว่าคนที่ก็ไม่มีพอเขาได้แม้แต่บาทเดียวก็ถือว่าดีกว่าไม่มีนะข้อที่สองเจ้าค่ะบทแผ่เมตตาให้กับสรพสัตใครเป็นผู้แต่งครับมีมานานหรือยังครับบทนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นผู้แต่งมันเป็นความจริงมันเป็นวิธีแผ่เมตตาอ่าเพราะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าให้แผ่เมตตาด้วยการให้อภัยไม่จองเวร ให้แผ่เมตตาด้วยการไม่เบียดเบียนกันไม่ให้แผ่เมตตาด้วยด้วยการไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันให้แผ่เมตตาด้วยการให้ความสุขแก่กันอันนี้เป็นวิธีการแผ่เมตตาที่พระเจ้าทรงสอนแต่การสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการเรียนหรือเป็นการเตือนใจให้รู้ว่าวิธีแผ่เมตตาแผ่อย่างไรให้ซ้อมไว้ก่อนเวลา เวลาเจอเหตุการณ์จริงจะได้แผ่ได้เวลาใครด่าเราก็จะให้อภัยเขาได้เวลาจะอยากจะได้อะไรก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทำให้คนอื่นเขาทุกข์กายทุกใจจากการความอยากของเราถ้าเรามีเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างเรียกว่านี่คือวิธีแผ่เมตตา แต่ถ้าสวดไปแบบนกแก้วไม่เข้าใจความหมายสวดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอไป ม, มีปัญหากับใครก็อาฆาตพยาบาทร่างแค้นกันพออยากจะได้อะไรก็ไม่สนใจว่าไปทําให้คนอื่นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้แผลสวดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสวดแล้วต้องเข้าใจความหมายว่าให้อภัยทำอย่างไรไม่จองเวรจองกรรมทําอย่างไร ในกรณีใดถึงจะให้อภัยกันเมื่อจองเวรจองกรรมกันเป็นต้นคำถามสุดท้ายแล้วนะคำถามจากคุณคำถามจากขออภัยคะ่ะคำถามจากคุณอ้อยฟ้าใส หากเราได้สาบานต่อหน้าพระพุทธรูปในบริเวณวัดโดยมีพระสงฆ์ที่บวชนานเป็นผู้กล่าวนำว่าจะไม่หยิบเหลือเอของออกจากวัดแต่ต่อมาได้หยิบเอาออกมาโดยที่เจ้าวาาหรือพระหรือเนนได้อนุญาตแล้วหากกรณีนี้ถือว่าผิดคำสาบานไหมคะหากผิดจะมีผลต่อชีวิตหรือไม่เจ้าคะก็อยู่ที่เราสาบานยังไง ถ้ า, าสามารว่าเราจะไม่เอาของจากวัดเลยไม่ว่าการณีใดแล้วพอมีผ้าให้แล้วเราก็เอาออกมันก็ผิดแล้วผิดสัจจะแตไม่เป็นบาปออบางเราไม่ได้ขโมยข้าวขโมยของใครแต่ผิดสัจจะคือเป็นคนที่พูดอะไรแล้วไม่รักษาคําพูดฉะนั้นก่อนที่เราจะตั้งสัจจะเราต้องคิดให้รอบครอบก่อนว่าเราทําตามได้หรือเปล่า หรือว่าถึงเวลาเราจำได้หรือเปล่าบานที่ตั้งสัจจะวันนี้อีกปีนึงก็ลืมแล้วก็ได้เหนเราต้องรู้ว่าเราตั้งสัจจะแล้วเราทำได้หรือไม่แลวจำได้หรือเปล่าว่าเราตั้งสัจจะไว้อย่างไรหรือสัจจะนี้เราตั้งได้หลายแบบแล้วแต่เราจะกำหนดมีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขได้ทั้งนั้นอยู่ที่เราจะตั้งไม่มีใครเขาบังคับเรา ถ้าเราตั้งว่าจะไม่เอาของจากวัดไปโดยไม่ได้ขอไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตจากพระจากจากวัด<ม>แต่ถ้าได้รับอนุ ญ, ญาตจากพระจากวัดก็เอาไปได้นี้ก็ทำอย่างนี้เวลาพระให้เราเราก็รับเอากลับไปบ้านได้แต่ถ้าเราบอกจะไม่เอาของจากวัดไปเลยอย่างี้ไม่ว่ากรณีใดถึงแม้พระจะให้ก็อย่าเอาไปรับแล้วแล้วก็เอาเอาไว้ได้่วัดต่อไป